I'll b e l l o u e v e r y i ฉันไม่มีใครเปิดอ่านข้อความเก่าๆจะมีความหมายจากวันนั้นคือความห่วงใยที่เธอให้ฉันขอความเหล่านั้น บอกฉันนี่รู้ตลอดมาฉันและเธอจะเติบไปด้วยกันไม่ว่าจะ